กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมะโดยมีข้าพเจ้าพระไพบุญอภิปุโนโมาเป็นผู้ที่บอกเล่าในเรื่องราวที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนนี้ก็สืบทอดกันมาแต่เป็นรุ่นเป็นรุ่นผ่านการทรงจําของภิกษุ ต, ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเรื่อยกันมาเป็นหลายรุ่นมีการลงอักษรบันทึกเป็นภาษาต่างๆแปลกันมาและสืบทอกันมาจากรุ่นต่อรุ่น จากพิสูุ์บ้างมีกษัตริย์หรือมีบุคคลที่มีความศรัทธารักษาปฏิบัติแบ่งปันกันมาจนมาถึงในยุคปัจจุบันตัวข้าพเจ้าเองก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากข้อมูลที่มีมาในตำราบ้างเนะ้เรียนจากคำสอนของครูบาอาจารย์บ้างซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มาในตำราหรือว่าคำสอนของเหล่าครูบาอาจารย์นั้นก็มาจากคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองตัวพวกเรา ท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังข้อมูลที่เป็นธรรมะไม่ว่าจากสื่อใดๆก็ตามนะก็จะต้องนึกถึงเสมอว่าต้นบัญญัติคําสอนนั้นมาอยู่ตรงไหนนะเหีือวพื้นที่เราจะได้มีการเข้าถึงสิ่งที่เป็นต้นบัญญัตินะเป็นมาติกาเป็นแม่บทตรงนั้นนะเราก็จะทําความเข้าใจอย่างทองแท้แจ่มแจ้งนะขึ้นมาได้โดยข้าพเจ้านั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เรื่องราวที่นำมาบอกเล่านั้นก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละวันนะวันจันทร์อย่างนี้ก็จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับหมวดของธรรมะหมวดต่างๆแต่ท่านวังรู้ไหมว่าตั้งแต่ที่สมณะโคดมนะอยู่ใต้ต้นไม้โพตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะอยู่ที่นั่นบนรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีความรู้แทงตลอดไปในทุกสิ่งทุกอย่างนะรู้ทั่วหมดจบ3แดนโลกธาตุ เนี่ยนั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพดนั่นแหละรู้หมดทุกอย่างอะไรเป็นยังไงกลไกต่างๆเป็นอย่างไรเกิดขึ้นอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่รู้หมดเนีความรู้ที่มีมากมายขนาดนั้นแล้วก็คัดเลือกมาคัดเลือกมาเฉพาะสิ่งที่เป็นเนื้อเนื้อเน้นเน้นเนีเข้มข้นเข้มข้นมาบอกมาสอนแนี่ทําไมต้องเอาเฉพาะเนื้อเนื้อเน้นเน้นเข้มข้นเข้มข้นมาบอกมาสอนพวกเรา เนะเพราะว่าเวลามันสั้นเวลามันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอย่างเช่นรายการนี้เป็นตน้นเวลามันสั้นชีวิตคนเราก็ประมาณร้อยปีบวกลบนิดหน่อยจากนี้ไปก็คงไม่เกินอีกร้อยปีถ้าคนบางคนอายุสามสิ0ี่สละน่ะก็คงไม่เกินร้อยปีเพรา ะ, ะนั้นในช่วงเวลาที่มันไม่ได้ยาวเนี่ยมันควรจะต้องทาอะไรที่มันสำคัญสาคัญเร่งด่วนเนื้อเนื้อเน้นเ น, นนะเข้มข้นเข้มข้ น, ขน สิ่งแรกที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพนะเมื่อเปลี่ยนเนียบบทอา้าวก็ย้ายไปใต้ต้นไทระอยู่ใต้ต้นไทรพิจารณาดูเอ๊ะไอ้ที่มันเนื้อนเนื้อเน้นเน้นเข้มข้นเข้มข้นนี่มันน่าจะเป็นเรื่องอะไรเราก็ได้คำตอบขึ้นมาในใจก็คือเรื่องของสตินั่นเองสติคือความระลึกได้บอกว่าเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวนะที่จะทำให้สัตว์นั้นก้าวล่วงเสียซึ่งความทุกข์ความโทมนัส เพื่อที่จะล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำระลังพันเพื่อที่จะทํานิพพานให้แจ้งเน้เน้นเน้นเข้มข้นเอยู่ตรงนี้เอาคําเดียวเจ๋งเจ๋งเป้งเป้งเต็มเตมนั่นคือสติเอาขย้ายออกไปให้มันละเอียดลงไปหน่อยก็สมถาวิปัสนาเอาขย้ายเอาไว้อีกก็ศีลสมาธิปัญญาเอาขย้ายเอาไว้อีกก็มารมีองแปะขย้ายเอาไปอีกโพธิปักยะธรรมสามชั่วขัยขย้ายอาไปอีกโอ้มันได้เยอะแยะหมด เดี๋ยวแยกเป็นโภวิหารสแยกเป็นสัพปริสธรรม7เดี๋ยวแยกเป็นทิศ6เดี๋ยวแยกเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นเหล่านั้นแต่วันนี้จึงจะต้องพูดสิ่งที่มันเนื้อเนื้อเน้นเน้นเข้มข้นเข้มข้นเพราะว่าเวลามันน้อยท่านผู้ฟังเวลามันน้อยเอามันอย่างเดียวนี่แหละอันเดียวนี่แหละที่ว่าเราจะใช้ประโยชน์ได้ทันทีมีประโยชน์จับฉวยได้ไวได้คล่องนั่นคือเรื่องของสตินะสตินี้นอกจากตอนที่อยู่ใต้ต้นใจนะที่เป็น ที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะใ น, นตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆก็คิดเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4ี่ในสตินี่ก็เหมือนกันตอนก่อนการปรินิพพานตอนนั้นอายุ80ปีแล้วพระรูญเจ้าก็ได้บอกกับท่านพระสารีบุตรเกี่ยวกับเรื่องที่ความสามารถของพระองค์นนในเรื่องของสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยมากจริงๆนะถึงขนาดว่าถ้ามีสาวกสี่องค์มาสอบถามทวนถามปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับสติปัฏฐาน4ี่เนี่ย สามารถตอบได้โดยที่บดเพียญชนะเนี่ยไม่ซ้ํากันนะับเป็นเวลาร้อยปีนะเว้นการกินการดื่มการเข้าห้องน้ำนะอะไรที่มันจะบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยหยุดหยุดไม่เอาไม่ทำนะใช้เวลาร้อยปีเต็มเต็มถามสี่คนตอบคนหนึ่งอะคนหนึ่งจําไว้ถามอีกคนหนึ่งถัดมาตอบอีกคนหนึ่งจําไว้นะถัดไปถัดไปบทเพียรชนะไม่ซ้ํากันเป็นอย่างนี้ตลอดร้อยปีบทเพียรชนะก็ไม่ซ้ํากันนะมีเรื่องราวที่จะอธิบายแสดงความเข้าใจ อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเรื่องราให้จำแจ้งอยู่ในสติปัฏฐานสิก็ยังมีสอนอยู่ไม่ใช่แค่นั้นในะตอนก่อนการปริณิพนานคําพูดสุดท้ายเดิมนะที่ตรัสเอาไวา้นะั่นก็คือเรื่องของสติอีกเหมือนกันนั่นะคือคําว่าไม่ประมาทในนะประเด็นตั้งแต่ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเรื่องของสตินั่นะก็อยู่ตอนที่หลังจากตรัสรู้ใหม่ๆ ใ, ในช่วง2 ส, สัปดาห์แรกนั้นะก็คิดว่าไอ้สตินี่แหละจะเป็นเรื่องที่เราจะสอน ในระหว่างการสอนการทำทั้งหมดนั้นก็รวมนะอยู่ในหมวดของสติปัฏฐาน4นีะ่ตอนสุดท้ายในะก่อนการบริญิพานอยู่ในระหว่างที่นอนหลับจีหัสยาก่อนที่จะหลับตาไว้แล้วก็ไม่ได้ตรัสอะไรอีกแล้วนะคําพูดสุดท้ายตรงนั้นก็เป็นเรื่องของความไม่ประมาทก็คือสตินั่นเองอย่าไะนั่นถามว่าไอ้สติที่เราบอกว่าเราจะต้องมาตั้งเอาไว้ นะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้รวยให้เห็นนะถ้าะเอาเนื้ อ, น เ, นอนเน้นๆ น, นอันนี้เท่านั้นแหละถามว่ามันเกิดจากอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้สตินั้นตั้งขึ้นได้แม้แต่เราจะพูดถึงเรื่องของสติอย่างเช่นอานาปานาสติอย่างเงี้ยนะครูบาอาจารย์ในหลายๆรุ่นที่ผ่านบานมาก็เขียนหนังสือเรื่องอนาปานาสตเนิเป็นเล่มๆสอ2เล่ม3นะ ม, มเล่ม นะเล่มลนะ2300้หน้านะมีพิกูุในรุ่นปัจจุบันก็ยังเขียนอาณาปานาสตนะิเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กก็ 2-300 ้หน้าพระเจ้าอธิบายเอาไวนะ้เป็นเรื่องที่อยู่ในมาสติประฐานสูตรบ้างในอาณาปานาสติสูตรบ้างก็เป็นหลายย่อหนะ้าดังนั้นไอ้เนื้อความข้อมูลอะไรต่างๆว่าจะตั้งสติอะไรยังไงเนี่ยเราศึกษาเราทำความเข้าใจกันมาลนะในวันนี้จึงจต้องการพูดถึงเรื่องว่าเหตุปัจจัยอะไร ในเหตุปัจจัยอะไรไหนะที่จะทําให้สติเนี่ยมันตั้งขึ้นได้ง่ายไหนะที่จะช่วยสนสับสนุนให้สติของเรานั้นมันตั้งขึ้นได้ระลึกถึงได้ไหนะดารงอยู่ได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยได้เป็นเหมือนกับยานเครื่องนำไปได้ไหนะพระเจ้าได้เคยตรัสถึง เ, เหตุอยู่ทั้งหมด7ประการไหนะจริงเจ็เหตุ7ประการเนี่ยเป็นเรื่องที่มาจาก3าพระสูตรไหมาจาก3าพระสูตรตรงไหนซ้ํากันก็เอามารวมกันซะ หรือที่ไม่ซ้ํากันก็ใชจะเป็นเหตุ7ข้อนะเหตุ7ข้อนี้เราจะเป็นข้อมูลที่บอกว่าผู้ที่มุ่งกระทําซึ่งอานาปานาสติเนี่ยเมื่อประกอบอยู่ได้เหตุ7ประการเหล่านี้เนี่ยจะทําให้ถึงธรรมอันไม่กลับกําเริบนะได้ต่อการไม่หนานทํามอันไม่กลับกําเริบในที่นี้ก็หมายถึงการบรรลุเป็นพระอรันนะทำสติของเราให้เจริญขึ้นตั้งขึ้นได้นะไม่กลับกําเริบขึ้นอีกนะกลับกำเริบหมายความว่าอย่างไร นะครับบางทีเราอาจจะมีประสบการณ์ไปนั่งสมาธิบ้างนะฝึกจิตบ้างไปอยู่ตามวัดตามที่นู่นที่นี่หรือสวดมนต์อะไรต่างๆแล้วจิตสงบลงไปนะแต่พอทำไปทำไปเอ๊ะบางทีมันก็ฟุ้งซ่านก็มีนะกลับมาบ้านแล้วเอออยู่ที่วัดมันก็ดีหรอกกลับมาบ้านแล้วเจอภัสสาะอย่งงางนั้นอย่างนี้ไ อ, อ้ที่วางได้มันกลับฟูขึ้นมาอีกนะไอ้ที่คิดว่าไม่โกรธแล้วมันยังโกรธขึ้นมาอีกนะนี่คือลักษณะของการที่ยังมีการกลับกําเริบในะกิเลสมีการฟุ้งขึ้น นิวามีการกลับมาก่อกวนนะปิดบังให้เร า, เามืดมัวหมองมัวเกิดขึ้นลนักษณะการกลับกําเริบอย่างนี้นะมันก็มีขึ้นได้เพราะว่าถ้าถ้ารากนะรากของเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นมันยังมีอยู่เวลามีอะไรผัสส า, ามากระทบมันก็ฟูขึ้นมาได้นั่นะนะคือคือเรื่องของอวิชาอนะวิชาเป็นรากนะเป็นเชื้อเนะีที่เมื่อมีอะไรมากระทบแล้วมีเชื้อพวกนี้มันก็โตขึ้นมาได้นะสิ่งที่เป็นผลหลังจากวิชาก็อย่างเช่น รักฆโทสะโมหะตัณหาหรือว่าช่วยพวกสิ่งที่เป็นอคติศรัทธาต่างๆนะมันเกิดขึ้นได้มันฟูขึ้นมาได้มันกลับกําเริบได้เราจะเข้าถึงความที่ไม่กลับกําเริบอีกก็ต้องมีเหตุเจตประการอย่างที่ว่านี้นในเหตุเจตประการคือหนึ่งมีความเป็นผู้มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษเนรบริการชิงชีวิตคนที่อยู่ง่ายๆเลี้ยงง่าย ๆ, ๆกินง่ายๆพวกนี้ก็จะทําทให้เรา มีการปฏิบัติที่เจริญก้าวหน้ากึ้นได้นักกอที่2เป็นผู้ที่มีอาหารน้อยนะประกอบตนอยู่ในความเป็นผู้มีท้องอันปรงังนะเรารับรนานาาหารเนี่ยอย่าให้มันเต็มที่เอาแค่สักประมาณ 70% ็ดสิร์เซ็นของกระเพาะก็พ อ, รพอนะหรือว่าน้อยไปกว่านั้นก็ได้อย่างพระวิสุบางรูปก็ฝึกปฏิบัติในเรื่องของการผ่อนอาหารน้อยลงนะวันหนึ่งอาจจะกินแค่แปดคำนะฉันแค่แปดคำนะลองมันทําดูมันสักอาทิตย์1เดือนหนึ่งดูว่าร่างกายเป็นยังไงการภาวนาเป็นยังไง จิตขอเราเป็นยังไงจะเห็นชัดว่ามันจะดีขึ้นแต่บางคนก็ผ่อนอาหารน้อยลงหรือถึงกระดับอดอาหารไปเลยลก็เห็นได้อยู่ก็จะมาสอดคล้องกับข้อที่ว่าเป็นผู้ที่มีท้องอันพร่องแต่ท้องพร่องในที่นี้ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของความจุของของท้องของเราแต่แน่นอนเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยถ้าเราไม่ได้เพลิดเพลินกับลิ้นจนเกินไปไม่ได้เพลิดเพลินกับรสที่มันผ่านมาทางลิ้นจนเกินไปเนี่ยเราลองสังเกตดูเวทนาของเรา เพนะราะว่าการรับประทานอาหารเนี่ยเพื่อที่จะดับเวทนานะดับเวทนาเก่าแล้วก็ไม่ทําเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราพิจารณาดูเวทนามันดับไปเรยยื่อนวะเราจะพิจารณาเห็นว่าเออกินคนํานี้กินอาหารประเภทนี้กินประมาณเท่านี้แล้วเวทนาเก่ามันดับนะเวทนาใหม่เจ้าความที่อึดอัดบ้างความที่ติดใจในรสอาหารบ้างเรื่องอื่นเนี่ยที่มันเป็นอกุศลธรรมเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะเราจะรู้ถึงจุดนั้นนะมันจะก่อนอิ่ม มันจะก่อนอิ่มสัประมาณสัก3ามคำสี่คำแตถ้าเราพิจารณาดูดีๆเราจะเห็นจิตของเราในลักษณะนั้นแต่ก็ที่3เป็นผู้ที่ไม่มีความมึนชานนเป็นผู้ที่ไม่มีความมึนชาหมายความว่าไงหมายความว่าตื่นอยู่เสมอไม่ง่วงซึมไม่มึนชาเตื่นอยู่เสมอในที่นี้หมายความว่าไม่นอนเลยหรือเปล่านะคําตอบคือไม่ใชน่นการนอนการพักผ่อนมันก็เป็นธรรมชาติของของร่างกายมนุษย์ก็ต้องมีการนอนการพักผ่อนแต่การประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่น คือแม้แต่นอนนะก็ยังมีสติอยูนะ่คือมีสติแม้ในการนอนนะด้วยนะมีสติแม้ในการพักนะคือในชว่วงระหว่างวันเนี่ยก็เดินนั่งนะเพื่อที่จะเพียนเผากิเลสให้ใจมีตั้งสติเอาไว้ได้ตลอดนะก่อนนอนก่อนตั้งสติเอาไว้น้อมจิตไปในการนอนนะนอนด้วยความระลึกที่ว่ า, เ, าเจ้าบาปอากุศลและตามอย่ายให้มันมาตามหลอกหลอนจิตของฉันนะหรือว่าเมื่อรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะลุกขึ้นทันทนะีคือนอนแค่ยามเดียว นอนยามเดียวก็คือคือในตอนคืนเนี่ยถ้าเราจะแบ่งออกเป็น3ส่ว น, นก็นอนสักส่วนหนึ่งนะหรือว่าในตอนกลางคืนที่มีประมาณ12ชั่วโมงเนี่ยนะเราตื่นมากกว่านอ น, นก็คือนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงนะพูดง่ายงาย่แล้วในช่วงเวลาที่คุณนอนนี้นก็นอนโดยการที่มีสติอยูนะ่รู้สึกตัวเมวื่กไ่ก็ลุกขึ้นอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประกอบตนอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่นก่อถัดมาก็เป็นผู้ที่ทรงสุดตะสังสมสุดตะ สุตตะก็คือเรื่องราวที่เป็นธรรมานั่นเองธรรมา น, นเป็นคําสอนของพระเจ้าโดยทั้งบทโดยทั้งพเพยยรชนะเรากลับไปที่ตัวที่เป็นพุทธพจน์ตัวมาติกาตัวแม่บทที่พระเจ้าตรัสอย่างไรสอนอย่างไรเราจําให้ได้ท่องให้คล่องแก้วคลื่นใจนเห็นให้ถูกต้องนพวกนี้คือเป็นผู้ที่ทรงสุตตะสังสมสุตตะตรงนี้ก็ยัเปรียบเหมือนกับอาวุธที่เราเก็บสะสมเบายว้เพราะว่าเวลาที่เราตั้งสติขึ้นเนี่ย บางที่มีสิ่งมากระทบจุดดึงลากทูทําให้เราอาจจะหลุดเพลิดสติไปนะเราต้องมีอาวุธที่จะคอยป้องกันสิ่งที่มาก่อกวนเหล่านั้นแต่แนะ่นอนสุดตาดนี้เป็นอาวุธอย่างหนึง่งในะที่เราจะใช้ในการที่จะป้องกันฆ่าศึกศัตรูที่จะมาลุกรานจิตใจของเราได้ถัดมาในข้อที่5ก็คือต้องรู้ถึงจิตที่หลุดพ้นแล้วเป็นลําดับนะข้อนี้หมายความว่าเวลาที่เราวางไปแล้วเป็นขั้นเป็นขั้นเนี่ยเราต้องทราบนะอย่างเช่นบางคนเนี่ย S <S สามารถวางภาษาประเภทนีนะ้วางความรู้สึกประเภทนี้ไดนะ้เราก็รู้ว่า เ, เราทําไดนะ้รู้ในที่นี้ก็คือทราบความถึงว่าจิตเราหลุดพ้นจากสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วนะเพราะว่าเวลาที่มันจะกลับกําเริบเนี่ยมันก็จะกลับมากําเริบในสิ่งที่เราวางได้แล้วปล่อยได้แล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติ separate, ระลึกรู้เห็นอยู่เฉพาะสิ่งที่เราหลุดพ้นแล้วได้เนี่ยมันจะทําความฉลาดตรงที่ว่าเฮ้ยถ้าเราทําได้แล้วไอ้ทําไมมันฟูขึ้นมาอีกเราก็ทําใหม่ แต่นะไม่เรารู้อ๋อเมื่อ ค, คราวก่อนที่วางได้มันทำอย่างนี้ในะคราวนี้มันพลาดตรงนี้เราก็แก้ไขตรงนั้นแต่เพราะ that นะไอ้ที่เราทําไปแล้วผ่านมาแล้วเนี่ยเอ่อถ้าเราทราบมีสติระลึกถึงอยู่ได้เห็นอยู่ชัดเจนในะการที่จะทําให้มันเกิดขึ้นอีกนั่นะคือหมายความว่ามันจะฟูขึ้นอีกแน่เพราะถ้าเรายังมีวิชาอยู่และถ้ามันฟูขึ้นการที่เราจะทําให้มันวางลงไปอีกแตนะ่ข้อนี้จะช่วยได้มากนนะคือในข้อที่5ที่ว่าให้เห็นเฉพาะอยู่ซึ่งจิตที่หลุดพ้นแล้วอย่างไร รสชานี้ก็เคยเปรียบถึงเรื่องของพ่อครัวอย่าที่เขารู้จักสังเกตรสชาติแห่งอาหารของตัวเองเวลาที่ทําอาหารไปเลี้ยงพระราชาหรือเียงมหาอมาตย์แล้วเนี่ยรู้ว่าเขาชอบกินอันนี้ไม่ชอบกินอันนี้เวลานี้อากาศเป็นอย่างนี้ชอบกินสิ่งนี้ไม่ชอบกินสิ่งนั้นแล้วทาอาหารไปถูกใจคนกินเนี่ยมันก็จะได้กาจ้างรางวัลแต่เช่นเดียวกันไอ้ตรงไหนที่เราวางไปได้รู้ถึงเหตุถึงผลแล้วนีถ้ามันฟูขึ้นอีกเราก็ทําใหม่แต่ตรงนี้เราจะ ได้ค่าจ้างรางวัลในจิตของเราด้วยความที่จิตนั้นสงบลงในความที่จิตนั้นเป็นสมาธิเกิดขึ้นในคนที่มีสมาสติแล้วเนี่ยจะทําสมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้นอกจากการที่พิจารณาเห็นจิตที่หลุดพ้นแล้วเป็นลําดับเนี่ยก็ยังต้องเป็นผู้ที่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลาบากซึ่งธรรมะต่างๆธรรมะที่จะเป็นที่สบายกับการเปิดโลกแห่งจิตในกล่าวคือเรื่องที่ให้มีการปรารถนาน้อย เรื่ให้มีความสันโดษให้อยู่ส ง, งัดให้ไม่คลุกคลีกันเรื่องการปราลบความเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตต์เนี่ยนะถาว่าไอ้ตรงนี้มันต่างกับเรื่องของสุตตาย่างไรนะีสุตตะหรือว่าเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกการฟังธรรมะอะไรต่างๆ่เนี่ยเนะี่ยเป็นการฟังแล้วอยู่ที่สมองนะีฟังคุณจําได้นะีท่องได้ขึ้นใจเนะีเห็นได้ด้วยดีถูกต้องเข้าใจความหมายถูกต้องแล้วแล้วเอามาส่งไว้ในใจ นะไอ้จุดเที่เอามาทรงไว้ในใจทําได้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะทรงธรรมนั้นไม่ได้นี่คือตรงนี้นะคือได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากซึ่งธรรมะที่คุณทรงจำไม่ได้นั่นแหละนะคือเอามาทําให้ได้ไอ้ที่เราจําได้อยู่ในหัวนะบอกว่าจะมาเป็นความรู้ใช่ไหมแล้วให้มันมารู้ถึงใจรู้แจ้งถึงใจนะคือรู้ได้เฉพาะตนตรงนี้แหละนะที่ว่าที่คือข้อที่6ที่ว่า ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลาบากซึ่งไอสิ่งที่คุณจำได้นั่นเองะข้อสุดท้ายคือเป็นผูท้ที่อยู่ป่านะมีเสนาสนะอันสงัดอยู่ในเสนาสนะที่สงัดเงียบนะมีการหลีกเรนบ้างมีการปฏิบัติธรรมบ้างนะนอกจากป่าล้วก็อาจจะเป็นคนไม้แต่ถ้าเราอยู่บ้านอยู่เรือนก็เรือนว่างก็ได้นะห้องว่างาจะเป็นห้องพระหรือห้องที่เราอยู่คนเดียวในห้องทางานถ้าเราไม่ได้มีกิจกรรมใดๆ เราอยู่ว่างๆตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นเรือนว่างได้เหมือนกันสร้างเหตุต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะทําอาณาปานาสติของเราให้มีความก้าวหน้าได้สติของเราจะตั้งขึ้นได้จเจริญก้าวหน้าได้มันจะสูงขึ้นสูงขึ้นแตนะสูงขึ้นสูงขึ้นไปแล้วแตนะมันมีความมั่นคงมากขึ้นก็จะทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้นะคนที่มีสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยจะละอาสวะทํานิพพานให้แจ้งได้อันนี้เป็นฐานะที่เป็นไปได้นะนอกจาก7อย่าง นะคือไล่มาตั้งแต่เรื่องความเป็นผู้มีกิจน้อยอมีความต้องการน้อยสนิ ด, ดในบริการแห่งชีวิตแล้วเนี่ยจนถึงข้อที่ว่าอยู่ป่ามีเศ า, าสนะอันสงัดเจอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวที่จะทำให้สติตั้งขึ้นได้อีกนะอยู่อีก3อย่างนะในหมวดของอพระห้แล้วก็อินทนะรีห้านะพระเจ้าได้เคยตรัสถึงเรื่องของวิริยะคือความเปลี่ยนบุคคลที่มีความเพลียนประลบอยู่แล้วเนี่ย เพ่งหวังข้อนี้สืบไปได้คือจะเป็นผู้ที่มีสติะจะประกอบพร้อมด้วยสติเป็นเครื่องระวังรักษาอย่างยิ่งเป็นผู้ที่ระลึกถึงตามระลึกถึงซึ่งกษษษิจที่กระทําและคำที่พูดแล้วแม้หนานได้พราะฉะนั้นการที่เรามีความเพี่ยนความเพียนนี่คืออะไรนะความเพียนในที่นี้ก็มีอยู่หลายนัยยะด้วยกั น, นเช่นตั้งแต่การที่เราเพียนด้วยการสังวรคือการสมรวมระวังคือมีอินทรีย์สังวร น, นี่ก็ข้อที่1นึนความเพียนด้วยการรักษา นะัคือรักษาสมาธินิมิตที่เกิดกันแล้วหรือความเพียรด้วยการที่สลัดออกนัสลัดออกสลัดสิ่งที่ไม่ดีออกเอาสิ่งที่เป็นความชั่วความผิดออกความบาปออกนะนี่ก็ได้หรือความเพียรด้วยการพัฒนานั่นะคือพัฒนาเรื่องโพชฌงเจตพัฒนาคุณธรรมที่มีอยู่แล้วนี่ให้มันตั้งกันได้อีนัยยะหนึ่งที่พูดถึงเรื่องความเพียรก็คือสัม ม, วมาวายามะนั่นเองนะัคือเอาสิ่งที่เป็นกอกุศลเนี่ยออกไปนะัให้สิ่งที่เป็นกุศลนะัเอาเข้ามา สิ่งที่เป็นกุศลอยู่แล้วในใจของเรามีอยู่ก็ทําให้มันพัฒนาขนะึ้นสิ่งที่เป็นอกุศลก็อย่าให้มันเข้ามาแล้วจะเอามันออกไปแล้วก็อย่าให้มันเข้ามาป้องกันไปด้วยนะความเพียรนะตรงนี้ก็จะทําให้สมาสติเกิดขึ้นได้นอกจากเรื่องของความเพียรแล้วก็ยังมีเรื่องของศรัทธาแน่นอนนะคนที่มีศรัทธาเนี่ยมีความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นผลจากการที่ได้ฟังทำเป็นต้นอันเป็นผลจากการที่ได้คบเพื่อนดีเป็นต้นหรือเป็นผลจากการที่ เราเห็นทุกนะมีการพิจารณาโดยแยบขายจะดำเจ้าสติให้เกิดขึ้นได้อีกในยะหนึ่งเรื่องที่จะทําให้สติตั้งขึ้นไดนะ้นอกจากเรื่องของความเพี่ยนแล้วนะเจ้าก็ยังตรัสถึงเรื่องของโยนิโสมนสิกันนะยโยนิโสมนสิการคือการทําในใจโดยแยบขายนะพูดที่ทําในใจโดยแยกขายพิจารณาอย่างดีอย่างถูกต้องเนี่ยจะทําสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นได้นะยโยนิโสมนสิการคือการทําในใจโดยแยบคาย เป็นอาหารของสติสัมปชัญญนะเนี่ยสติจะตั้งขึ้นได้เนะี่ยเราจะรู้ตัวรอบครอบไปในกิจกรรมต่างๆที่เราทำเนะีก็ต้องมีการคิดพิจารณาโดยแยกกายนะคิดยังไงหรอพิจารณายังไงโดยแยกกายละ่ะก็โดยในยะของสัมมาวยามะนั่นเองเนะี่ยเราต้องคิดพิจารณาหเห็นว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ดีนะเออเป็นความชั่วความบาปคุณต้องละเอ้ยอันนี้มันดีนะเอา้าเราต้องเอาเข้ามานะอันนี้ที่มันเรามีอยู่ดีแล้วเราต้องพัฒนาขึ้นนะคิดพิจารณาในลักษณะนี้กระดะ นะหรือว่าคิดพิจารณาโดยนยัยยะของอริยสัจสี่คือการทําในใจโดยแยบกายในเรื่องความเพียนก็ได้ในเรื่องของอริยสัจสีก็ได้นะจะทําสติสัมปชัญญะให้ตั้งกึนได้เรื่องของโยนิโสมณัสิการนั้นนะจริงๆเราสามารถทําได้ทุกเวลาโดย้วยซ้ำนะทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ในอเรียปลดได้ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะทํากิจกรรมไหนนะนะทุกเวลาไม่ว่าคุณจะมีสัมผัสผัสสะกับใคร แต่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราสามารถที่จะพิจารณาเราแยบขายได้หมดเพราะเรามีภาษาตลอดภาษาเนี่ยจะเป็นแดนเกิดเป็นแดนเกิดของหลายสิ่งเป็นแดนเกิดของบุญเป็นแดนเกิดของกิเลสเป็นแดนเกิดของสังสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีแตถ้าเรามีการโยนิโสมในการอย่างถูกต้องสิ่งที่เป็นกุศลในที่นี้เราพูดถึงเรื่องของสติมันจะเกิดขึ้นได้ตั้งขึ้นได้นอกจากเรื่องของคุณฑธรรมเจ็ดอย่างที่พูดไปในตอนต้นรายการ นะั้นถัดมาคือเรื่องของวิทยาคือความเพียรถัดมาคือเรื่องของโยนิโสมนสิกานแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของสุจริต3อย่างการทําอย่างดีการทําสิ่งที่เป็นสุจริตทางกายทางวาจาและทางใจแตนะสุจริตทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยเปรียบเหมือนกับการที่เราสร้างดินแดนที่ไปได้โดยปลอดภัยนะจิตของเราอยู่ในดินแดนที่ไปได้โดยปลอดภัยไม่มีข้าศึกศัตรนะูเหมือนคนที่ชนะสงครามแล้ว มหาราชากษัตริย์ที่ชนะสงครามทั่วพื้นปฐพีแล้วเนี่ยจะเดินไปไหนในพื้นภิพภเนี่ยมันก็สบายใจเพราะฉะนั้นเราสร้างสิ่งที่ดีเช่นพูดดีคิดดีทดําดีนะจิตเราคิดไปทางไหนจิตเราดํำริไปในเรื่องใดนะสั่งการอย่างไรให้พูดออกมาสั่งการอย่างไรไปในการกระทำเนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นสุจริตเป็นสิ่งที่ดีออกมานังนั้นคือสติที่เราได้ตั้งขนนึ้นเองคนที่มีสุจริต3อย่าง สุจริสาอย่างนี้จะเป็นอาหารของสติปัฏฐานทั้ง4นะสติปัฏฐานทั้งสตั้งขึ้นได้นะมันก็จะทําให้โพชฌงเจตเกิดขึ้นได้มีโพชฌงเจตแล้วนะคุณจะทําวิชาบิมุตเนี่ยให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดให้ท่านผู้ฟังฟังในที่นี้นะคือเหตุของสตินะสติที่เราบอกว่าสําคัญเราย้ําอยู่เรื่อยเราพูดอยู่เรื่อยเราทําความเข้าใจอยู่เรื่อยว่าสติเป็นยังไงให้ผลอะไรยังไงยังไงแล้วเนี่ย วันนี้เราพูดถึงว่าสติเนี่ยมันมีเหตุมาจากอะไรเหตุอะไรบ้างที่จะทําให้สติของฉันสติของท่านบูฟังสติของทุกๆคนที่เอามาทําเนี่ยทำสิบอย่างนี้แล้วเนื้อสติของคุณจะก้าวหน้าขึ้นสติคุณจะตั้งขึ้นได้สติของคุณจะทําให้จิตของคุณนั้นไปสู่ที่ที่มันจะไม่กลับกําเริบอีกไปสู่ที่ที่อกุศลธรรมทั้งหลายจะกลับกำเริบไม่ได้อีกนะสิบอย่างมีอเราทําความเข้าใจซ้ําอีกครั้งหนึ่งเนี๋ยเพื่อให้เกิดความจําได้เข้าใจดีแล้ว เราจะได้นําไปปฏิบัติได้ในอย่างแรกเอาย้อนกลับนะน่นคือเรื่องของสุจริตทั้งหลาย3อย่างกายวาจาใจอันเป็นสุจริตผู้ดีคิดดีทําดีอยู่เรื่อยๆสาอันนี้คืออย่างที่1ในอย่างที่2คือเรื่องของความเพี่ยนนั่นคือวิริยะในวิริยะนี้แตกออกไปเป็นสอย่างคือความเพียนในการเอาสิ่งที่เป็นกุศลเข้าก็แยกเป็น2อย่างความเพียนในการเอาสิ่งที่เป็นอกุศลออกก็แยกเป็นอีก2อย่างในเรื่องที่2คือเรื่ององความเปลี่ยน แล้เรื่องที่3คือการทำในใจโดยแย บ, บกายนั่นคือโยนิโสมณัสิการไม่ว่าจะโยนิโสมณัสิการโดยนยัยยะของเรื่องความเพียรโยนิโสมณัสิการโดยนยัยยะของเรื่องอริยสัจสี่คือการโยนิโสมณัสสิการเนี่ยท่านฟั ง, ฟงไม่จำเป็นว่าจะต้องอถือว่าอ่านหนังสือธรรมะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่หมายความว่าเวลาที่คุณอยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบนันเหตุการณ์ใดสักเหตุการณ์หนึ่งอย่างเงี้ยนัเห็นคนเขาให้ของกันแล้วก็โยนิโสมณัสิการโดยอริยสัจสีได้นั่นเห็นธรรมะตรงนั้นนนนไดด้้เเห็นคนา า, กา่กั แล้วคุณมีอยู่ในสมนาสการปุ๊บสติคุณตั้งขึ้นได้ทันทีนะโอ้อันนี้เป็นเรื่องโกหกกล่าวให้ฉันจะไม่ทำแต่ห็นคนก็ทําความดีแก่กันเออนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้ฉันจะทำนะมีการโยนิโสมนาสิการตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นนะจะทําสติของเราให้เกิดขึ้นได้อนนี้คืออย่างอย่างที่3อย่างที่4คือเป็นผู้ที่มีความต้องการน้อยนะเลี้ยงง่ายสันโดษในบริการ่างชีวิตนะฮคือเป็นผู้ที่มีอาหารน้อย ประกอบตนอยู่ในความเป็นผู้มีท้องอันพร้องหกนะเป็นผู้ที่มีความไม่มึนชานะประกอบอยู่ในธรรมันเป็นเครื่องตื่นคือชากเคลียรนิธรรมเจ็นะ 7. เป็นผู้ที่มีสุตตะทรงสุตะสังสมสุตตะนะฟังได้จําได้นะเข้าใจความหมายอย่างถูกต้องแปลคือผู้ที่พิจารณาเห็นจิตที่หลุดพ้นแล้วนะเป็นลําดับอนะย่างไรอันนี้เราต้องเห็นเราต้องฉลาดในวรารจิตของเรานี่คือข้อที่แปดข้อที่9เป็นผู้ที่ เอาธรรมะที่คุณทรงจำไว้นั่นแหละนำมาเข้าไปในใจนะให้ได้โดยไม่ยันได้โดยไม่ลำบากนะซึ่งไอ้เจ้าทำต่าต่างเหล่านั้นมีเรื่องศีลสมาธิปัญญาการอยู่สงัดการไม่กลุกเกลีการสันโดษเป็นต้นนะและข้อที่10ก็เป็นผู้ที่อยู่ป่ามีเสน่ห์สน่หอันสงัดท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังทำสิบอย่างนี้แล้วไม่ได้เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าปา้าหลานทำทรงให้แตกการทำบาปุจฉาให้ห่อเลือดเนี่ย ไม่ได้เคยทําอนันตริยกรรม5้าอย่างถ้าประกรอบด้วยทำสิบอย่างนี้นะนผู้ฟังโอ้ยมิตินี้มันจะผางขึ้นมาเลยทีเดียวผู้ที่มีสติเข้าไปตั้งไว้แล้วอย่างนี้หนะมีความเพียนอย่างนี้มีศรัทธายอย่างนี้จะพึงหวังข้อนี้สืบไปเลยว่าจะเป็นผู้ที่มีอารมณ์อันเดียวหนาะจะเป็นผู้ที่จะทําได้แล้วซึ่งความตั้งมั่นแห่งจิตเป็นผู้ที่มีจิตเป็นอารมณ์เดียวหนาะแล้วคนที่มีจิตตั้งมั่นไวอ้อย่างนี้ นะมีสติอย่างนี้ตั้งมั่นชอบอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความรู้ชาติอย่างนี้เลยว่าสังสารวัตรนี้เป็นสิ่งที่มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วนะที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏนะที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกาั้นมีตันหาเป็นเครื่องปลูกไว้นะ้เราจะเข้าใจตรงนี้ทันทะีพอเราเข้าใจแล้วเห็นชัดแล้วว่าโอ้พระอวิชชาพระตันหานั่นเองเราไปสุู่ที่สงบดีกว่า ท, ที่จะไม่มีการปรุงแต่ง เป็นที่สงบระงับแห่งสังการทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจงางคายเป็นความดับเป็นนิพพานแล้วเราจะได้ซึ่งตรงนั้นอันนี้จะเป็นความรู้ชัดที่จะเกิดขึ้นในจิตได้นั elle. ถ้าเราทำสิบอย่างนี้ได้ให้เกิดขึ้นได้ใจของเราจะค่อยเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นจึงเราจะตั้งมั่นขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนเป็นอารมณ์เดียวมากขึ้นมากขึ้นนตั้งเอาไว้ชอบตั้งเอาไว้ดีอย่างนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นได้แน่นอนความก้าวหน้าของเราในเรื่องการปฏิบัติ นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิเรื่องของวิปัสสนาเรื่องของเมตตานะมันจะมีความคล่องแคล่วไปโดยลําดับลําดนะับแต่เพราะในคุณธรรมสิอย่างนี้เนี่ยที่พูดถึงเรื่องของเหตุที่จะทําให้สติตั้งมัน่นขึ้นไะด้นันเป็นเรื่องสำคัญที่ให้เราฝึกทำํำนฝะึกทําแล้วได้ผลอย่างไรนะ ถ, ถ้าจะเขียนมาเล่าให้ฟังก็สามารถติดต่อกระทั่งรายการได้ท่านผู้ฟังแลนะด้วยเขียนไปสดไม้หรือว่าปริศนียบัตรแลส่งมาที่วัดป่าดอนไหนโศก เลขที่1 8, หมูหห่แปดตำบลดอนไหนโศกอำเภอดอนงานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าส่งไปทางเว็บไซต์กอ p เพียวธรรมะ com pure dha mma 10อย่างที่าฟังจําได้หรือเปล่าจําได้หรือเปล่าถ้าจําไม่ได้ก็ลองฟังซ้ํานดะูฟังซ้ําไปซ้ํา ม, มาทําย้ําไปย้ํามานะเราจะก็ย่งมีความจําได้มีความคล่องแคล่วในเรื่องของหมวดของธรรมนะาจําได้ไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้ทําทําได้ไม่ได้ไม่เป็นไรก็ขอให้ทํา จะขยันจะขี้เกียจก็ทําเถอะขี้เกียจก็ทําขยันก็ทำนะทําแล้วมันจะเห็นผลเห็นผลเป็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติแล้วรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตที่หลุดพ้นแล้วเป็นลำดับอย่างไรอย่างไรแล้วเนี่ยนั่นก็คือว่าทําแล้วหนึ่งใน10อย่างคุณก็ได้แล้วแต่วความก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในวันนี้ครับจ้ า, พ, าพระพบูลน์นะพี่ปุโ น, โนจากวัดป่าดันไห่โชก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพันธ์